ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำมังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรที่ว่าด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกรู้อยู่ที่กาย ในประสูตรนิสงส์งจำแนกแสดงไว้เป็นปะปะปะก็คือเรื่องกายทั้งนั้นแหละแต่ว่าแบ่งมาตั้งแต่ดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอนาปนัประแล้วก็ดูอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เรียกว่าอิริยาปฏะประแล้วก็ดูอิริยาบถ ย, ย, ย่อยทั้งหลายเรียกว่าสัมยัญ ญ, ญาปปะ แล้วก็แยกกายออกเป็นสามสิบสองส่วนที่เรียกว่าอาการสามสิบสองมีผลขณ์และฝันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าปฏิกูลูและปปะคือมองในแง่ของความปฏิกูล เ, เราอย่าลืมว่าพวกเราเานี้ยเราอาจจะเอามาพิจารณาก็ได้ถ้าพิจารณามันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไปแต่ว่าในตอนแรก เอามาจำแนกแยกแยะแล้วก็มองโดยสีโดยสถานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุมแชโดย ป, โ ป, โปูโโดยหิตทั้งหลายเนี่ยคือต้องการจะแยกให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยที่จริงมันโดยเนื้อหาสาระจริ ง, รงๆมันไม่มีคืออย่างที่เคยเคยยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเนี่ยมัน มันเริ่มต้นจากอภาวะคือความไม่มีแล้วก็เริ่มผ่านกระบวนการต่างๆขึ้นมาก็เข้าสู่ภาวะคือความมีหรือความเป็นทีนี้พอสิ่งเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะดับไปหรือแยกสลายไปก็กลายเป็นความไม่มีมันก็เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงความจริง โลกมันก็มีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยทีนี้จุดประสงค์ของท่านเนี่ยต้องการจะบรรเทาตัณหาคือการมตัณหากับภวะตัณหาเป็นตัวหลักก็ถ้าเห็นในจุดใดจุดหนึ่งได้เนี่ยมันก็ไปได้ทั้งทุกจุดนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้ายังไม่ชัดเจนก็ต้องไปที่ป่าช้าแล้ว กรณีคนนุณสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยตัณหาจะดิตแกกล้าปัญญาแกน้อยแก่ไม่เอาอแกรับไม่ได้เลยคือบอกว่ามันไม่สวยไม่งามนี่แกก็สวยงามเนี่ยคุณจะว่าอย่างไงละ่ะวันพูดกับแกไม่รู้เรื่องหรอกมันก็ต้องให้ดูศพเดีย๋ยวที่จะยกตัวอย่างว่าพระเจ้านำภิกษุไปดูศพนางสิริมาจทั่งที่นางสิริมาตายแล้วตั้งหลายวัน เดีเจ้าก็รับสั่งปล่อยให้พระมหากษัตริย์ประกาศขายนางสิริมาจนให้เป่าเนี่ยไม่มีใครเอาคือมก็เปื่อยไปเรื่อยๆเพราะไม่ได้ชิดยาอะไรแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็นำไปที่ปาา่าจากนำไปที่ทิ้งศพไม่ใช่ที่วางศพนะฮะก็นางสิริมา พระท่านก็เห็นชัดแหละเพราะว่าจากความเป็นนางสิริมาที่เกาะกลุ่มกันอย่างมีสัสดส่วนเนี่ยมันกลายเป็นศพซึ่งหาความสวยงามอะไรไม่ได้แล้วดูรูปก็ไม่สวยดูกลิ่นก็ไม่หอมมันไม่มีอะไรที่น่าพอใจติดใจกลายเป็นอารมณ์มีปัสนาท่านก็บรรลุมรรคผลไปทีนี้ตรง น, นี้เรียกว่า นวสีวสิกาปภ ะ, ะก็หมายความว่าให้เข้าไปที่ป่าช้าไปดูซากศพซึ่งปรากฏในภาพลักษณ์ต่างๆโดยการผ่านการเวลามาแตกต่างกันแล้วก็ประสบกับเงื่อนไขปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันก็ที่จริงจะดูที่ศพใดก็ได้นะฮะดูที่ ซากศพในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แต่การกรูซากศพเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมนุษย์ในี่ยวกว่าผีแต่ทีนี้การทิ้งศพในป่าช้าสมัยโบราณเนี่ยก็คือาศ า, าสนาปาซีหรือาศาสนาโซโรอตเตอร์เนี่ยเขาใช้วิธีการทิ้งศพ คือตายปั๊บเอาศพไปทิ้งที่ป่าชะแล้วก็ปล่อยให้เป็นอาหารของแรงกากันไปพวกนี้ก็เหมือนกับพนัก ง, งานเทศบาลน่ทำความสะอาดบัดมาก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานสมหรับพระแล้วกลายเป็นที่พระไปพิจารณาผ้าบางสกุลหรือผ้าหมาบางสกุลก็ไปดึงมาจากซากศพนี่แหละ แดีวดึงผืนแด็ผือผืนเดียวนะฮะไม่ใช่ไปดึงเขามาจะล่อนจนค็ดึงมาเฉพาะผืนที่คลุมศพเพราะเป็นของที่เขาสละแล้วก็ทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเพราะในการถามต้องถามก่อนว่าผ้านี้มีเจ้าของไหมถ้าไม่มีเจ้าของอาตมาจะถือเอาโดยความเป็นผ้าบางสกุลแล้วก็พวกนี้ก็พัฒนามาจะเป็นพราป่าในปัจจุบัน พันตตัวศพในาศาสนาหนึ่งเนี่ยตามความเชื่อาศาสนาหนึ่งมันกลายเป็นประโยชน์ต่อาศาสนาพุทธเยอะชิ้นส่วนแต่ละส่วนของร่างกายศพเนี่ยมันคือครูหรอกกลายเป็นครูแต่ทีนี้ในจี่บางแห่งอารมณ์อย่างเงี้ยน ะ, ะเรียกว่าอาสุภกรรมฐานอาสุภกรรมฐานจะเป็นการดู ร่างกายเราเองก็ได้นะฮะบางทีเรียกร่างไอไอแนวปฏิกูลประภะเนี่ยบางทีเรีย ก, กว่ากายยกตาสติบางทีเรียกว่าอสุภะสัญญาหรืออสุภกรรมฐานนั่นแหละก็สรุปไปแล้วว่าถ้ากายเราก็เรีย ก, กว่ากายยกตาสติถ้ากายคนอื่นก็เรียกว่าสุภกรรมฐานแต่ในบางกรณีแม้แต่กายเราเองก็เรียกว่าสุภกรรมฐาน้วยแต่ก็โดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือว่า มันสืบเนื่องจากจิตที่ไปกำหนดอารมณ์ว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วราคาตัณหาก็เกิดสืบเนื่องมาจากการที่จิตไปกำหนดอย่างนั้นในที่นี้ส่งสอนไปที่ป่าช้าซึ่งก็หาดูพอดูได้นะฮะสมัยโบราณ อย่างเช่นที่พระเวรุวันที่เป็นพระรามแห่งแรกของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีเป็นสามโซนนะครับคือโซนด้านในในสุดก็เป็นป่าเป็นที่อยู่ของนกยูงเขาเรียวกว่ามระนิวะปะตัว น, นี้คนเข้าไปวุ่นวายไม่ได้นะฮะคือสัตว์เขาตื่นกลัว ทีนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันก็ผ่าเป็นสองซี่ซี่หนึ่งเขาเรียกว่ากาันตกานิวาะเป็นที่ให้อาหารแก่กระแตตรงนี้มีลักษณะเป็นอุทยานท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่ให้อาหารแก่กระแตซึ่งเป็นเรื่องโบราณ ตัวนี้เป็นเรื่องดีอย่าง น, นคือถ้าเรามองถึงว่าแนวอนุรักษ์ธรรมชาติหรือแนวอนุรักษ์โบราณประเพณีของอินเดียนี่เราต้องนับถือเข้าเลยนะคือคนไทยนิเทียวเขาไม่ติดเลยเราเลิกดูทั้งอิสิปัตนาเนี่มันไม่โบราณจังเลย เป็นป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกของฤาษีเรียกว่าสารนาทุกวันแปลว่าที่พึ่งของกวางมันเกิดจากพรที่พระเจ้าพรหมทัตให้แก่พยานเนื้อนีอ้โครตโอยโบราณไม่รู้เมื่อไรคนก็สืบต่อกันมาได้กี่พันปีเราก็ไม่รู้ทีนี้ในในในตรงนี้ก็เหมือนกันการให้อาหารแก่กระแตเนี่ย มันเกิดขึ้นจากพระราชาพระองค์หนึ่งท่านประเด็จไปล่าสัตว์แล้วก็เกิดหลงทางหลงป่าแล้วก็ไปนอนอยู่ที่ริมต้นไม้ด้วยความอ่อนเพลียไอ้งูมันออกมาคือจะกัดกระแตมันร้องขึ้นเป็นการเตือนพระราชาก็สะดุ้งตื่นก็พอเห็นก็ขอบคุณกระแตนะเป็นสัตว์ จะจะปกป้องประชน์มืชีพของพระองค์ไว้ก็เลยตอบแทนบุญคุณด้วยการนำอาหารไปให้นั่นจะเป็นกิ้งกานนะว่าเราเรียกกิ้งกานะมันก็สืบเรื่องมาจากเป็นนิทานเรื่องกิ้งกาไไ้ทองเนี่ยมันก็เหตุการณ์ตัวเนี้ยคือวันหนึ่งไม่ไม่ไม่ไม่มีเนื้อ ไอ้คนที่ไปซื้อเนื้อมันก็เอาเหรียญที่เป็นค่าเนื้อนะฮะก็ทำเป็นปลุกคอเป็นสายสร้อยปูุกคอให้เลยกระแต่มก็ยิงเชิดเจอถัว่วแสดงอาการกระด้างมันก็เป็นเป็นคติเป็น ค, ต, ต, นค ต, ติธรรมที่สอนมนุษย์หลายชั้น แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นศีตะวันศีตะวันตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่นาถบินิกะสเศรษฐีเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าตอนกลางคืนนะโดยความสำคัญว่ารุ่งแล้วเพราะงั้นในศีตะวันมันก็มีซากศพจริงพระก็าสามารถที่จะไปดึงเอาผ้ามาเป็นผ้าบังสกุลได้แต่ก็ไม่ใช่หาง่ายนะ แต่นี้ระดับของการเจริญกรรมฐานเนื่องจากปาช้ามีคนดูแลมีเจ้าหน้าที่คล้ายกับบ้านเราไม่สัปเหร่เนี่ยเราจะต้องไปแจ้งให้เขาทราบก่อนจะเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งให้ถ้าเทียบปฏิบัติแลัวคือผู้ใหญ่บ้านทราบด้วกันให้คนแถวนั้นรับรู้ว่าเราเข้าไป จเจริญกรรมฐานในที่นั้นไม่ใช่วันนิ่งๆเข้าไปอยู่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันเกิดปัญหาคือคือสถานที่เหล่านั้นแหะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันก็มีเป็นที่ซ่องสุมเสพยาเสพติดเป็นที่มั่วซุมในทางเพศย์เป็นที่มั่วซนะุมของพวกโจรลักขโมยของมาแล้วก็หลบซ่อนอะไรตๆๆนะ่างๆเนี่ยบัลลังกพระมันจะเข้าไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วจะเป็นอันตราย ทีนี้การจเจริญกรรมาฐานพวกนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้เกินไปมันก็กลิ่นศพมันจะเล่นงานแรงแล้วจะหยิบจะเพลิดไหมคือจะไปใส่ใจอยู่ที่กลิ่นทีนี้ถ้าดึงถ้ายืนไกลเกินไปมันก็มองไม่ชัดถ้าไปยืนเหนือลมมันก็จะถูกอมนุษย์ไม่พอใจนะะเพราะว่า อะไรล่ะคือทำให้ใคล้ายๆก็ดูหมิ่นอมนุษย์แล้วถ้ายืนใต้ลมเราก็ถูกกลิ่นกระแทกเพราะว่ายืนพอ ด, ดีแต่โดยหลักแล้วก็ให้มองจุดใดจุดหนึ่งนะฮะมองจุดใดจุดหนึ่งมันไม่ใช่มองหมดทั้งตัวเพราะว่าบางที่ศพมันใหม่ๆนะศพศพของผู้ศาสนาปาซียนี่ คือศพ บ, บ, บางทีก็ยังรุนรัวเพรา ะ, ะนั้นศพต้องพร้อมจะดูอย่างพระมหาการท่านไปดูสักศพชั้นแรกท่านบอกว่าศพมันประนีตเกินไปค่อยมาดูที่หลังเพราะอะไรเพราะจิตมนุษย์มันแปรปรวนได้ง่าย อย่าลืมมนุษย์มีสัญญาเก่ามีสะสมจิตสันดานอะไรที่เกี่ยวกับกรารมราคะเรื่องเพศอะไรนี่มันดูเยอะราะถ้าศพไม่ชัดเจนในด้านปฏิกูลนี่จิตมันแปลผันได้และอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกามาราคะได้แม้แต่ศบนะั้นสัตว์มนุษย์นี่ไม่ใช่เล่นกันนะแล้วก็มี ข่าวคลาละหนังสือพิมพ์มีเอกสารต่างๆในส่วนต่างๆของโลกแล้วก็ในคมพีเราก็มีนะในในวิโดกก็มีคือบางทีก็มีการชำเราศพแสแดงว่าศพมันยังสดจิตเป็นแปรผันก็นานมาแล้วตอนนั้นน้ามาก็บวชไม่นานประมาณสักห้าหกเจ็ดพันศานะ ตอนนั้นมันมีกระแสกรรมฐานในมาแรงากแล้วก็มีภาพเผยแพร่เป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายยืนครองแขนกันผู้หญิงชุดราตรีผ่าซี่ซี่หนึ่งเป็นชุดราตรีซี่หนึ่งเป็นโครงกระดูกผู้ชายแต่งชุดสูทอย่างดีเลยแต่ว่าด้านหนึ่งก็เป็นโครงกระดูก ก็คนหนึ่งก็โครงกระดูกด้านซ้ายคนหนึ่งก็โครงกระดูกด้านขวาแล้วก็มาวางข้างหน้าเพื่อเพ่งพินิษพิจารณาให้เห็นเป็นความปฏิกูลนักเกลียดแนวเนี้ยแนวแนวของน้อยสิกาวิศิกาปรปภะเนี่ยแต่ว่ามันปัจจุบันเราก็ไม่มีศพให้ดูหรือแต่มีมันก็ต้องมีเป็นสไลด์เป็นวิดีโอก่อที่จริงก็ชัดนะฮะ ถ้าพูดถึงวิดีโอรหรืออะไรเขาเรียกว่าดีวีดีอะไรนั่นนะฮะถ้าดูมาเพ่งดูอย่างเงี้ยสักสบมก็ชัดทีนี้ในการในการเพ่งดูเนี่ยก็ต้องดูเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าปริเชษคือคือส่วนมากก็จะตัดเป็นสามตอนนะตอนใดตอนหนึ่ง อย่าไปดูทั้งตัวก็ในที่นี้ก็คงซากศพท่กศพมันผ่านหลายวันก็เคยเคยไปดูเัีเคยศึกษาเรื่องนี้กันแต่ก็จริงเราก็จริงก็ลลำบากนะเพราะว่า มันติดเนื้อติดตัวหมดเลยกรีดแรงมากแล้วกว่าภาพมันจะหายไปเนี่ยตอนานดังนั้นแต่ว่าที่จริงแล้วก็ทำให้ดีเคยเคยไปดูที่ป่าช้านะฮะไปเคยดูที่เขาเผาก็มังเผาตอนนั้นก็ป่าช้าเป็นรูปเป็นรูปเสาสีเสาอะนะฮะเอาไม้วาง ข้างพื้นศพวบบางเอาลวงวางบนแล้วก็เอาไม้วางทับลงไปแล้วก็เผาดลก็ไปนั่งก็นั่งดูอยู่กับสับ ป, ปะเรอนะฮะคนก็กลับหมดแล้วก็นั่งดูก็พิจารณาไปเรื่อยๆก็ที่จริงก็ดีหรือถ้าดูศพในลักษณะนั้นดีแต่ถ้าหากว่าในพวกไอ้ดีวีดีไซ อะไรีดีหรือว่าภาพสไลด์เนี่ยมันก็อาจจะหวาดกลัวได้ก็สรุปว่าพวกนี้มันมันเป็นธรรมะฮะก็เรียกธรรมสัพพายะพวกเนี้ยเป็นสัพพายะคือว่าเป็นลางเนื้อชอบรางยาเป็นการนำเสนอหลากหลายออกไปเรยเห็นว่าในในเวทนาไม่ใช่ในในมาสติปัฏฐานสูตรถ้าเรานับย่อยแล้วก็มันมีเยอะ หรือถ้านับเกากลุ่มเราเห็นว่าก็มีสี่คือกายเวทนาจิตธรรมแต่ว่ากายก็แยกเวทนาก็แยกจิตก็แยกธรรมะาก็แยกตามทนะทีนี้ศพในที่นี้เราจะเห็นว่ามันก็คงจะตายไปทิ้งไว้สักสามสี่วันแล้วบอกว่าอันฝูงกาจิ ก, กินอยู่ฝูงแร้งจิ ก, กินอยู่บ้าง ฝูงพยาแรงจิกกินอยู่บ้างมูสุนัข ก, กัดกินอยู่บ้างมูสุนัขจึงจอกกัดกินอยู่บ้างหมูสัตว์ต่างๆกัดกินอยู่บ้างตอเนี้คือคือคือสรุปแล้วว่ามันเป็นซากศพกันแล้วกันซึ่งปรกากฏลักษณะใดลักษณะหนึ่งจนถึงกับเป็นเรื่องของกระดูกนะพอมาถึงข้างหลังๆนี้ก็บอกว่ายัง ร่างกระดูกยังเปื้อนเลือดแต่ปราศจากเนื้อยังมีเส้นเอ็นดึงรัดอยู่ก็ว่าไปเรื่อยนะฮะตัวโดยสรุปก็คือใช้ศพเป็นอารมณ์กรรมฐานเพื่อน้อมเข้ามาหาเราแล้วน้อมเราเข้าไปหาศพจนถึงกับก็มองเห็นเราก็คือศพเป็น แต่ตรงนี้เขาเรียกว่าต้องโยนในสมณติการ์ันต้องเยอะก็เคยมีคนที่เขาเคยบวชเรียนมานะฮะเคยบวชเรียนมาแล้วก็เคยคุ้นเคยกรรมาฐานมาแล้วก็ไปพิจารณาพิจารณาพัญญาที่กำลังนอนหลับนั่นะพิจารณาจนเหตุเป็นศพไปจริงๆเลยพอน้องก็มาตนก็ เป็นตนก็เป็นศพไปด้วยก็เลยศบนอนก็ศพต่อไม่ได้พิจารณาต่อแล้วก็เขาก็อยู่กันจนตนะอันนี้ก็คือมันต้องการสำรอกสำรอกตันหาราคะออกกิจแต่ถ้าเราเห็นแล้วกลัวมันก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป้าเพราะเป้าจริงๆต้องการขจัดอภิชาตโมนาตดังที่กล่าวข้างต้นเนี่ยนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วกลัวก็แสดงว่า ไม่สปายะสปายะกับอารมณ์ของเราพาระนิสาศพหล่เนี้ที่ที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้พระยาศะพระยาศะกับสหายสี่คนกับสหายอีกห้าสิบคนกับพ่อแม่อริภัญญาได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันโดยพื้นฐานบารมีในเรื่องเดียวกันแต่ว่วท่านยาศะเนี่ย ทำไมท่านเห็นสาสาันกำนันในในปร า, าสาทเป็นซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าชา้าเพราะว่าท่านเป็นคนเผาศพผู้หญิงท้องแก่แล้วก็ตายทั้งกลุ่มนะฮะคือตอนตอนเริ่มทำเริ่มจัด ก, การนะ่ยก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดคนนี้ก็คกล้ใก ล, ล, ลกับพวกอาสาสมัครมูนิชิโปเตกตึงร่วมกันจุอะไรนี่นะก็เผาศพสาธารณะ พอตอนแทงศพเนี่ยนะฝยมันหมอดแแทงศพแทงไปแทงมาเนะี่ยมันก็เหมือนกับที่ตอนเรามาไปนั่งดูยิ่งก็นานหลายปีแล้วนะทุกทุกวันเราก็ยังเห็นยังยังนึกยังนึก ย, ย, ย, ยังเห็นอยู่นะหรือว่าแทงศพก็พลิกไปแล้วก็ดูไปก็รู้สึกว่าสบายสบายดีเลยเคยดูศพในในในรูปแบบต่างๆบางที ก, ก็ก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ คือไอ้ความกลัวกับความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเนี่ยถ้าฐานเราไม่ดีเนี่ยเราจะมันมันจะออกมาในกลัวฐานจิตเราไม่แข็งพอเนี่ยจะออกมาในกลัวบางนั้นตามปกติแล้วมันต้องสร้างความคุ้นเคยเนะสร้างความคุ้นเคยค่อยค่อยค่อยอ ย, อยดูอย่าไปดูโครงครามก็ไม่ได้ เมื่อหาสาระตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าพวกกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะเนี่ยประเภทตัณหานี่มันลดแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างที่ทรงแสดงไว้เนี่ยก็คือพิจารณาเป็นกายในกายที่เป็นภายในบ้างกายในกายที่เป็นภายนอกบ้างก็น้อมเราหมาศพน้อมศบหมาเรานะตัวศบก็กายภายนอกตัวเราหงักกายภายใน แล้วก็หน่วยย่อยต่างๆในกายเราก็มีทั้งกายภายในภายนอกก็เสร็จแล้วก็คือกันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนตอนปลายจึงสมทรงสรุปเหมือนกันทุกข้อนะฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่ต้องเอามาลงทุกข้อ บทสุดท้ายนี่บทสรุปที่ต้องการจริงๆก็คือจิตเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาทีนี้เห็นเนี่ยก็หมายความว่าไปขจัดโรวิปราสดสี่ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้อสุภาิปราสด มีการกําหนดหมายว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจคือเอาก็จริงมันจะเห็นเป็นของปฏิกูลไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่นี้พอเห็นมันก็เห็นไม่เทียงเป็นทุกเป็นนาตาเพราะเราก็เห็นอยู่ว่ศพที่มันหลากหลายอะไรกินคือคือสถานภาพของศพที่มันเปลี่ยนไปเราก็ดูตามไปเรื่อยๆนะแล้วแต่จนถึงกระดูขาวโพลนทิ้งอยู่เนี่ย มาความหยิบกองกระดูกมาชิ้นเดียวมาเพง่งไปนิพิจณาก็ได้นะฮะเราจะเห็นว่าแนวมรณานุสติหรือแนวกายกตาสติหรือสุภาพกรรมฐานก็แล้วแต่กระดูกชิ้ น, นเดียวเนี่ยมันก็สามารถจะมองหลายอย่างแต่ว่าเนื้ อ, เ น, อเนื้อหาสาระนี่คําว่าถูกผิดก็คือว่าตา้าราคามันลดคือทําให้ลดก็ยังไม่ถือว่าเราได้ได้รับผลตามที่ มีพระประสงค์นะพิจารณาตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่ า, าการเข้าใจว่ากายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเนี่ยมันมันกิตมันต้องขึ้นไปด้วยนะถ้าไม่ขึ้นยุ่งเหมือนกันนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเราอย่าลืมว่าปริญาของพราหมณ์สีมัทภควัตกีตาหรือคําสอนของว่าเจสบติศนองค์ปริมาเนี่ย ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเหมือนกันนะจะเลยเพราะฉะั้นถ้าจิตมันไม่ขึ้นไปด้วยเนี่ยก็เรียกว่าเห็นไม่จริงคือถ้ากิเลสไม่ลดและยุ่งนะเพราะอะไรเพราะแก่จะไม่กลัวบาปไอ้ปานาธิบาต์เนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตออันนี้เป็นกลายเป็นปรัชญาสงครามไปเรือ ผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันต้องสูงขึ้นไปมนไม่ใช่เรื่องพูดอ่ะถ้าจิตเธอไม่ขึ้นไปไปเท่ากรมครามเอาไม่ได้ก็อย่างที่ยกตัว อ, อย่างว่าการลึกชาติได้สมมุติเราลึกชาติได้ลึกชาติได้สักห้าสิบชาติอาอย่างเงี้ยแต่ว่ากิเลสเราไม่ได้ลดและยุ่งตายเลยนะฮะ เราก็จำได้ว่าคนนั้นเคยเป็นญาติกับเราอย่างนั้นเคยนั้นคนนั้นเคยเป็นลูกหนี้ของเร า, เาคนคนนี้เคยเป็นเจ้านี่ของเราหลไรคนนี้เคยเป็นศัตรูของเราเคยนี่เคยรักของเราเลยยุ่งตายเลยตาไปทวงย้อนอดีตชาติหละเพราะงั้นคนที่จิตยังไม่สงบจากกิเลสจะไม่สามารถระลึกชาติได้เพราะการระลึกชาติจึงเป็นยาณยังไง มันเป็นความรู้ระดับอยาดเพระจิตเขาต้องสูงขึ้นไปอย่างที่บอกว่าเขาต้องปรากฏด้วยกันในขณะที่ตัวปัญญาเขาปรากฏขึ้นไปจนขนาดระลึกชาติได้เนี่ยไอ้สมุทัยซึ่งมาจากอวิชชาเนี่ยมันต้องคลายลงไปเยอะเลยไม่ถึงก็หมดหรอกแต่เป็นระดับโลกีย์มันยังอยู่แต่ว่า ไม่สามารถมีอิทธิพลที่ให้เบี่ยงเบนออกไปจากหลักแยกชัดแต่ว่าใช้บวกได้นะฮะหมายความม า, าระลึกได้ว่าคนนี้เป็นญาติของเราคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราในชาติก่อนชาติที่ตะไรก็ช่างนัน ต, ตอนนี้กำลังตกนรกอยู่ตอนนี้กำลังเปรตอยู่ตอนนี้กำลังเป็นอนุรกายอยู่เราก็ทาบุญบุญกุศลไปให้ได้ อันนี้ทําได้อย่างที่พระเจ้าพิมพิสารทำเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นด้วยเป็นญาติตั้งแต่สมัยพ ร, ะ, ะ, ระพุทธสัมมาสัพพุตเจ้าไม่รู้สักกี่กับกี่กัร น, นะหรือที่ภาษารีบุตรทาให้แม่ที่เป็นอะไรยักษีนีนะฮะยากคิดนี้กวกไม่รู้สักกี่ร้อยชาติแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปใช้ในทางบวก แล้วไปใช้ว่าในทางที่เอา้าเราไปสมมุติว่าเราไปเป็นนี่คนคนหนึ่งเราเลิกชาติได้ว่าชาติก่อนเนี่ยคนนี้เป็นลูกหนี้เราแล้วไม่ได้ใช้บอกก็หักกันนะชาติก่อนคุณเป็นนี่ผมอชาตินี้ผมก็เป็นนี่คุณก็ถือว่าเลิกแล้วต่อกันก็ไม่ต้องคืนออย่างนี้ไม่ได้จิตมันไม่ไปนะฮะจิตมันไม่คิดอย่างนั้นเระอย่งที่บอกว่ามันพัฒนาการทางจิตมันอยู่ในโครงสร้างของโมหธคุณ มากน้อยไม่รู้อะมันแต่อยู่ในโครงสร้างของพุทธคุณคือปัญญาเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงจิตจะมีความรู้สึกเมตตากรุณานี่เพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันมันไม่เป็นมนุษย์เลยทาไปนะในแง่ความจริงเนี่ยก็เป็นรูปสมมติสัจจะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกัน เพราะในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเบียดเบียนเขตขาอะไรกันไปทำไมนั้นก็แสดงว่ามันมีความชัดเจนว่าทำทำไมอย่างเมื่อวันที่วันที่เก้าพฤศจิกายนฟังข่าวก็มีการสัมภาษณ์กับท่านนายกรัฐมนตรีกัล่าโคมริมนตรี ม, มหาไทย แล้วก็คุณรชิตใจวันสติลำศร่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีท่านผู้หนึ่งเสนอในธรรมนองว่าต้องการจะอพยพคนไม่มีที่ทำกินจากภาคอีสานลงไปอยู่ต่างภาคได้คือมันความคิดมันอ่อนด้อยมากนะ เราอย่าลืมนะะจอมพลสิริดเอาอบายโยบลงไปตั้งแต่คราวนั้นยังสร้างปัญหาแก้ไม่ตกกันอยู่ในประตูวันเนี่ยว่ามาเจาะ จ, จงมากเกินไปเขาเองก็ไม่มีที่ทํากินอยู่เราแก้ปัญหาคนเหล่านั้นให้มีที่ทํากินให้พออยู่พอกินซะก่อนที่คือมันมันเอาต้องเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วคนที่จะอยู่กับเขาได้เนี่ยก็คือคนนักปักได้ แล้วก็ต้องดูคนจังหวัดไหนล่ะที่อยู่กับเขาได้เนี่ยแต่เห็นว่ามันไม่ใช่ชุมพรสุราษฎร์หรือประจวบันไม่ใช่มันต้องเอาคนาคนครพัทลุงสงขลาหรือสังมันต้องเข้าใจในคนภาคใต้แต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็นนี้ิ่ ง, ง, งโครงกรามเสนอขึ้นไปมันก็เถือนนะแล้วอย่าลืมว่านี่คือแผลใจอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ ก็เห็นอักษรวิ่งอ้างว่าเป็นอะไรอ่ะผู้ช่วยรัฐมนต ร, รีเราลืมว่าปัญหาโง่จนเจ็บมันเป็นปัญหาที่มีอยู่มากในสามจังหวัดภาคใต้เยมันไม่ใช่มีเฉพาะภาคอีสานเราต้องแก้ถ้าจะแก้ถ้าจะ แ, กแจกที่ดินถ้าจะอะไรอ่ะสบปอกองสปอกรอ็แล้วก็แจกให้เขาซะก่อนเลยก็มีตัวเลขในการสมมุติว่าี ที่ทำกินเนี๋ยไม่พอทํากินอยู่แม้แต่บ้านที่สมเด็จพระนางเจ้าไปจัดสรรนเนี่ยก็มีประมาณเจ็ดร้อยกว่าไร่นะฮะเราจะเห็นว่าก็ได้คนนั้นได้ม่กี่ไร่หรอกแล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีความก้าวหน้าอะไรต่างๆวิชาการต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆนี่ยก็เลี้ยงดูตนเองครอบครัวได้แต่ว่าต้องขยันทํางานต่อเนื่อง พอน่าลืมว่าตัวนี้มันมันต้องต่อกันไปปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ตากรุณาทีนี้พระบทจะใช้ไม่ตากรุณามันต้องบริหารด้วยปัญญาปัญญาจะต้องมองไม่ใช่ว่าไม่ตาส่งเดชกรุณาส่งเดชไปมันไม่ได้ธรรมะเนี่ยต้องกํากับโดยปัญญานะอย่าลืมสัพพิสธรรมเจ็ดข้อเนี่ยไม่มีธรรมะข้ออื่นคือปัญญาล้วน รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเพรา ะ, ะนั้นคำว่ายูนี่ก็คือย า, ยาทาธาตุธาตุเดียวกับปัญญานะเป็นยาธาตุคือธาตุรู้มัตันยูรู้จักประมาณเห็นไหมอัตถัญยูตาธรรมัญยูตาอัตัญยูตามัดัญยูตาการัญยูตาปริสันยูตา บุคลันยุตาบุคลวับางทีก็เรียกว่าบุคลโลปะละปัญญุตาก็เรียกยังไงบุคลันยุตาการ ย, กยังไงไพวกนี้จะต้องเกิดขุดกันไม่ใช่ว่าโอฉันจะกรุณาแล้วกรุณาคนหนึ่งกลับไปเบียดเบียนคนหนึ่งไม่ได้ปัญญาจะต้องวิเคราะห์ไอ้อย่างนี้มันจะกระทบกระเทือนอะไรไหม จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแก้ปัญหาไม่ใช่เพิ่มปัญหาอย่างแนวโกดุกโป่งเนี่ยที่ว่า เ, เห็นไหมว่าตรงนี้จึงไม่ได้อยู่เฉพาะที่กรรมาฐานแต่ที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่ที่ต้องใช้ปัญญามีความมีสุดใจมีความเมตตากรุณาเนี่ยแต่ถ้าพัฒนาขึ้นไปอยู่ในระดับตรงนี้ได้ เราจะเห็นว่าจะใช้ไปในเชิงบวกคือจะมองคนอย่างรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา อ, อยู่ด้วยกรุณาไม่ไม่ใช่มองว่าเออไม่ใช่ตัวตนเราเขาเลยค่าได้อย่างเงี้ยอย่างองค์งุยมานหีือแกฆ่ะคนได้เยอะเนี่ยเพราะแกคิดอย่างนี้ว่าจะศบสอนแกนอย่างนี้สอนมาจากสีมัสภะวัตกีตาเนี่ย แล้วก็ในสีมัสพระกวัตกีตายเองก็เหมือนการพวกปานนดกกกรบมันรบกันจะตายคนข้า่าฆ่าากันตายเยอะเลยสงครามที่ทุกเนี้ยกูรู้เกษตรที่ที่แสดงสติปัฏฐานสูตรนี่แหละแต่คนละยุคละสมัยกันพวกนี้ถือว่าไม่บาปเวลาก็อธิบายในปริศนาอธิบายเนี่ยไม่อธิบายเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติโดยส่วนเดียวสาหรับกษัตริย์ อรชุนเองก็ท้อเหมือนกันนะฮะอรชุนเป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยท้อเหมือนกันค่าคนญาต์ทั้งนั้นเลยกิริะสอนไปอีกเรื่องนึงเลยกิริชะเป็นอาไรอวตารนะฮะแต่ว่าหลังท่านก็ถูกฆ่านี่ก็คืออย่าลืมว่าจิตเนี่ยแม้จะเป็นการปฏิบัติธรรมะ แต่ถ้าไม่เห็นกระบวนการอรยิยสัจไม่ใช่กระบวนการของพุทธคุณครบทั้งสามหรืออริยสัจครบทั้งสนะี่เนี่ยก็แสดงว่าผิดอะทุกต้องลดกิเลส ต, ต้องลดธรรมะเพิ่มสุขเพิ่มนั่นคือสุรทีนี้ในข้อต่อไปเนี่ยเป็นเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานคือเวทนาเนี่ยวทนาเราเรียกเต็มช่นะฮะเราเรียกว่า ความเสวย อ, อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม่อันใดทุกข้อเนี่ยโสตสัมผัสการัสัมผัสจิตวิสัมผัิกายสัมผัสมนโนสัมผัสเพราะงั้นเวทนามันก็มีหกมีหกประเภทจากที่เกิดถ้าเรานับจากทางเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากหกทางด้วยกันแต่ทีนี้ประเภทเนี่ยก็แล้วแต่จะย่อยเพราะอย่าลืมมองเวทนามันใกล้กับตนัณหาเวทนาปัจจะยาตาัณหา เพมือตัณหาร้อยแปดเวทนาก็นับไปร้อยแปดเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องไปนับไปไกลขนาดนั้นนะคือในพระสูตรเนี่ยทรงแสดงเวทนาเก้าซึ่งว่ากันตามความจริงมันวัดผู้ฟังนะวัดผู้ฟังว่าโอ้ผู้ฟังไม่ธรรมดาเลยเวทนาเก้าในดูยากนะแยกยา ก, ยากนะแต่าท่องเปน็นขยานไปพูดออกมาได้แต่จริงๆแล้วเราแยกยา ก, ยากมากเพราะเวทนาที่เป็นหลักเรามักจะพูดสุข ท, ทุกข์อนุทกกมสุข คือทุกข์ที่มันชัดเจนสุขที่มันชัดเจนแล้วพวกนี้จะเน้นไปที่สุขเวทนาทุกเวทนาคือตัวการเสวยอารมณ์ที่เรารู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์เพราะดูตัวเขามันดูตัวเขามันที่ปรากฏในขณะนั้นก็รับสั่งแสดงว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสษุพิจารณาเห็นเวทนาอยู่อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมีไหนนิเสเวทนาอยู่คือเวทนาอะไรกำลังเสวอยู่ก็ดูเวทนานั้นเพราะเวทนามันจะปรากฏทีละอย่างไม่ไม่ปรากฏทีละสองอย่างนะ่ะแต่ว่าขณะมันเดียวแต่นั่นเองอย่าที่ทรงแสดงไว้ในเวทนาบริการสูตรแกท่านกิติขณาคะคือเวทนาตอนนี่ภาษาลิบุตรบร ล, นะลุมัคคนะฮะก็แสดงเรื่องเวทนาเหมือนกันแต่ทรงเน้นไม้เห็นว่าเวทนามันจะปรากฏ ในขณะที่สุกเวทนาปรากฏเนี่ยทุกข์กับสุขไม่ปรากฏในขณะที่ทุกสุขปรากฏเนี่ยทุกข์กับสุขอุทกกรรมสุขไม่ปรากฏเป็นต้นแต่ในที่นี้ส่งทรงให้ดูเวทนาเก้าคือมหมายความว่าสุขทุกเนี่ยสุขทุกข์อุทกกรรมสุขเนี่ยเป็นเป็นแกนไหลเป็นบทตั้งทีงนี้อาการที่เป็นสุขเป็นทุกเนี่ยมันอาจจะมีตัวกระตุ้นเหยื่อล่อหรือไม่มี ท่านเลยย่อยก็เป็นเป็นอมิตรนิรามิตรแล้วก็เป็นเฉยๆเช่นว่าสุขเฉยๆสุขที่เจือด้วยอามิตรคือมีเหยื่อกระตุ้นมาทางตาหูจมูกนิ้วกายใจหรือไม่ใช่มีเหยื่อกระตุ้นแต่มันมีนิพพานเป็นอารมณ์มันเกิดสุขเวทนาไอ้ทุกเวทนาก็คงไม่เกิดเลยนะงก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นแลก็สง่งส่งย่อยบ้า เราเสวยอภิกษุในธรรมีในนี้เสวยสุขเวทนาอยู่ก to ็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่ให <the> ้สังเกตนะเราเนี่ยต้องต้องสมมติขึ้นมาแล้วก right? ็เสวยทุกเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนาอยู่เสวยอทุกขมาสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขกมาสุขคือไม่จะทุกข์ไม่จะสุขมันไม่เหมือนไม่ไม่เด่นชัด หรือสเสวยสุขเวทนามีอมิตรคือมีเหยื่อเป็นตัวกระตุน้นมีรูปเป็นตัวกระตุน้นเสียงเป็นตัวกระตุน้นรบเป็นตัวกระตุน้น อ, อะไรต่างๆทีนี้รูปเหล่านั้นบังชีเราคิดอีกอย่างหนึ่งมันเกิดเป็นความสงบเช่นว่าเห็นเห็นตัวเองปลอดเวรปลอดภยัยปลอดอันตราย จากความชั่วเนี่ยมันก็เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาเหล่านั้นมันเกิดเกิดการสงบระ ง, งับของกิเลสนี่มันเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นนิรามิตสุขแต่ว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยคือสติต้องแหลมนะสติต้องแหลมมากคิงจะแยกได้นะรันภาคปฏิบัติสมบ ตอนต้นๆก็คงจะดูสามอย่างดูสุขดูทุกข์ดูอทุกขก็มาสุขดูแค่สามอย่างก่อนให้ชัดให้สติมันเป็นไปต่อนเนื่องส ป, ปัญญาแหลมคมขึ้นนะฮะจึงจะเห็นถ้าเห็นก็ดูถ้าไม่เห็นก็อย่าไปแยกก่อนไม่ต้องไปแยกหรอกคือยนที่บอกมันแยกยากอย่างเบทานาห้ามันแยกแยกง่ายกว่าเก้า น, นะฮะ เวทาห้ามันมันมั น, ม, นมันเพิ่มสมมนัตโธ ม, มนัตเข้าไปกับอุเบกขาอุเบกขาก็คืออุทกมั ส, สุขแต่สมมนัตเนี่ยหมายถึงสุขใจโท ม, มนัตหมายถึงทุกข์ใจแต่สุขหมายถึงสุกายทุกหมายถึงทุกข์กายเพราะ ง, งั้นมันแกดูง่ายแต่ละอย่างมันก็มันก็มีตัวกระตุนแต่ดูง่ายพอมาเก้าเนี่ยจะดูยากตอนนี้อามิตรนิรามิตเจะดูยาก อย่างไม่ถ น, นัดก็คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆอนาานี่แหละคือถ้าเราอย่างไม่ถึงกับไปดูลมหายใจเข้าออกยาวสั้นเนี่ยเราตั้งสติไม่ทันเราเลึกไม่ทันเนี่ยใจมันวิ่งอยู่เรื่อยก็เอาอย่างอื่นเจ ก, ก่อนช่วยมีลักษณะคล้ายๆกันเรียกวขอนรองเหยียบขึ้นไปก่อนบันไดไม่สูงเหลือเกินก้าวไม่ขึ้นเอาขอนรองเหยียบขึ้นไปก่อนเล้วค่อยว่ากัน คืออย่างที่บอกว่ามันให้คงเนื้อหาไว้รูปแบบนี่หลากหลายยังไงก็ได้เปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ปรับยังไให้มุ่งไปสู่ตัวเนื้อหาให้ได้ผลที่ปรากฏแก่จิตก็คือปัญญาเพิ่มขึ้นจิตบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็โลกธาตุเนี่ยสำคัญนทนี่สุดโลกัศน์คือการมองโลกด้วยความเมตตากรุณาสูงขึ้นวันก่อนนี่ฟังอาจารย์าารยนรินเป็นวิทยากรอิสลาม หมาไม่ะไลไม่ดนนะพูดเร่งการพักได้ก็เคยพบกันนะท่านผู้นี้เคยพบกันที่สัมมน า, าห้าศาสนาที่พัตยายาคุยกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนครเมือนกันแต่ก็บอกก็ยังนึกว่าคนนี้คิดตรงไงนะอธิบายประเด็นของปัญหาอะไรอะไตรงกันกับหนังสือที่มาเขียนเรื่องที่นี่คือประเทศไทย อันนี้คือเราจะเห็นว่าคนเราถ้าพอใช้เหตุผลสติปัญญาแล้วไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยทุกศาสนาเนี่ยพูดกันรู้เรื่อง น, นะขอให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นจริงและจิตใจบริสุทธิ์จริงโล ก, กัศน์เนี่ยมันไม่มีพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกินดูอะไรหรอกมันมันรุงรังพันเตมากไปหน่อยก็สักแต่ว่าเป็นมนุษย์อะเป็น เป็นพี่น้องกันอะร่วมทุกข์เกิดแก่จะตายด้วยกันแล้วก็อาศัยแผ่นดินอยู่ชั่วคราวด้วยกันทั้งนั้นแล้วสุดก็ตายไปตายไปจะไปเกิดที่ไหนยังไม่รู้เลยทำชาติเนี้ดีเ่ก่อนกันแล้วการอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไรนี่เราจะเห็นว่าเราจะย้อนกลับไปสู่สาเหตุของสุขของทุกข์ อย่าลืมว่าทุกสุขมันเป็นผลนะมันเกิดมาจากเหตุมันน้นแหละเราจะเห็นว่า네นั่นแนววิชาแนวประสาทสัมผัสก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสและจึงเวทนาเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการทางประสาทสัมผัสถึงสามอย่างอายตนะภายในภายนอกรวมกันก็กลายเป็นวิญญาณมาประจวกกันนะกลเป็นวิญญาณทีนี้ไอ้สามอย่างเนี่ยมันกลายเป็นสัมผัส พอสัมผัสมันเราก็รู้สึกชอบไม่ชอบถ้าชอบมันเกิดสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาถ้าไม่ชัดมันก็เป็นทุกขกรรมสุขเวทนาซึ่งแสดงว่าอเวทนามันก็อยู่ทุกขณะนะเราเราอยู่ด้วยเวทนาอะไรไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่เวทนาเราเสวยอยู่ทุกขณะทุกสุขหรือไม่ทุกไม่สุขที่ชัดเนี่ยดูด้วยชัดสามัญจฝั่งเท่าไหร่ เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทูนในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี